ต้องให้สมบูรณ์ขึ้นไปถึงปัญญาข้อที่8ธรรมะสวัสดใหม่ทำบุญด้วยการฟังธรรมธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรามีปัญญาทำให้เรามีหลักในการประพฤติปฏิบัติและดำเนินชีวิตที่ดีถ้าเราไม่อ่านไม่ฟังไม่รู้จักหาความรู้ไม่ถามไถยไม่มีการฟังธรรม ไม่อ่านหนังสือธรรมะความก้าวหน้าในธรรมของเราอาจจะชะงักแล้วการเจริญในบุญก็จะเป็นไปได้ยากจึงต้องมีข้อนี้มาช่วยท่านสอนให้มีธรรมะสวนะใหม่คือทาบุญด้วยการฟังธรรมซึ่งจะทำให้รู้หลักมองเห็นช่องทางแม้แต่ในการทาบุญเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งให้รู้จักหาความรู้ที่เป็นประโยชน์จเจริญปัญญา